เมื่อกันหกะลากลับไปแล้วพระสารชาติพระธรรมชาติยังสนทนากันต่อไปอีกตอนหนึ่งพระสารชาติเอ่ยขึ้นอวุโสเมื่อข้าพเจ้าเดินทางไปในชนบทต่างๆในคราวนี้มีประสบการณ์หลายอย่างที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังข้าพเจ้าเองไม่แน่ใจว่า ข้อวินิจฉัยอย่างไหนจะเป็นการถูกต้องถ่องแท้คือคราวหนึ่งข้าพเจ้าไปพักอาศัยในอาวาสแห่งหนึ่งเป็นอาวาสที่ร่มรื่นสบายภิกษุเจ้าอาวาสอยู่ในวัยชาราแล้วท่านเป็นที่เคารพรื่มใสของพุทธศาสนิกในแถบนั้นมากวันหนึ่งในเวลาเย็นเสียงระฆังในธรรมศาลาดังขึ้นซึ่งพระภิกษุในอาวาสทุกรูปรู้ว่า เป็นสัญญาณหมายถึงมีกรณีพิเศษที่พระในอาวาสต้องเข้าประชุมสำหรับข้าพเจ้านั้นเป็นอคันตุกะพระเถระบอกว่าจะไม่เข้าประชุมก็ได้แต่ข้าพเจ้าขอเข้าประชุมด้วยซึ่งพระเถระก็แสดงความยินดีความจริงข้าพเจ้าเพียงอยากรู้อยากเรียนเท่านั้นหาใช่อยากสอดรู้สอดเห็นในเรื่องอันไม่ควรแก่ตนไม่ที่พระเถระบอกข้าพเจ้าดังนั้น เป็นเพราะความเกรงใจข้าพเจ้าต่างหากไม่ใช่เป็นเพราะไม่ต้องการให้ข้าพเจ้าเข้าประชุมข้าพเจ้าเข้าใจเจตนาของท่านอย่างนี้เมื่อพระภิกษุสามเณรในอาวาสประชุมพร้อมกันแล้วพระสังฆเถระก็มาสู่ธรรมศาลาภิกษุทุกรูปสำรวมมารยาทสงบสงี่ยมเรียบร้อยคอยฟังพระเถระ ไม่มีแม้เสียงไอและเสียงจามจากภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเลยอาวุโสความสงบสงเงียมเรียบร้อยเป็นความงามในหมู่ภิกษุคุณข้อนี้พระพุทธองค์เคยทรงยกย่องว่าบรรดาหมู่คณะทั้งหลายหมู่สงสาวกของพระองค์เป็นหมู่ที่เลิศนอกจากนี้เรื่องบางเรื่องในพุทธสมัยเป็นตัวอย่างอันดีแก่ภิกษุในรุ่นหลัง และนำความภูมิใจมาสู่พุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาพระธรรมชาติพอระลึกได้หรือไม่ว่าข้อความที่ข้าพเจ้ากล่าวถึงนี้เป็นเรื่องราวในตอนใดข้าแต่ท่านผู้เจริญพระธรรมชาติตอบถ้าข้าพเจ้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็นตอนที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ณนะอัมพวันสวนมะม่วงของหอชีวก ถูกแล้วอาวุโสในตอนนั้นพระเจ้าอาชาตศัตรูกษัตริย์นุ่มเห่งแคว้นมคฏเข้าไปเฝ้าพระองค์ซึ่งมีภิกษุสงฆ์เป็นบริวารถึง1250รูปการไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคของกษัตริย์นุ่มครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของพระองค์และโดยการถูนเสนอแนะของอชีวโกมารพัทขอท่านได้โปรดเล่ารายละเอียดด้วยเถิดท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าได้ฟังมาเพียงเล็กน้อยและจับต้นชนปลายไม่ติดเสียแล้วเพียงพอนึกออกว่าตอนนั้นเท่านั้นอาวุโสเรื่องก็มีว่าพระเจ้าอาชาศัตรูเมื่อได้ปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาแล้วรู้สึกพระองค์ว่าทรงเดินทางผิดมีความปรารถนาจะไปสนทนากับสมณพราหมนาจารย์เจ้าลัทธิคนใดคนหนึ่ง เพื่อให้ปลอดโปรงพระไทยคืนหนึ่งเป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงแจ่มจรัสแห่งเดือนสี่ซึ่งโกมุตกำลังบาลสะพั่งพระองค์ประทับณปราสาทชั้นบนมีอามาตรราชบริพานแวดล้อมแล้วกษัตริย์หนุ่มทรงเปรยขึ้นว่าในราตรีอันงามแสงจันทร์เป็นเงินยวงเช่นนี้ควรจะไปสนธนากับสมณนะหรือพราหมณ์คนใดหนอเพื่อความผ่องแพ้วของจิตใจ อามาต ร, ราชบริพานต่างก็เสนอแนะให้พระองค์เสด็จไปเฝ้าเจ้าลัทธิที่ตนนับถือต่างๆมีปุรณักะสปะเป็นต้นแต่พระองค์ทรงเฉยเสียเมื่อเห็นหมอชีวกมิได้กราบทูลอะไรจึงตรัสว่าชีวกเธอไม่มีอะไรจะเสนอบ้างหรือหมอชีวกกราบทูลว่าพระองค์ควรจะเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ซึ่งเวลานี้ประทับอยู่ที่สวนมะม่วงของเขาเองพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงรับคําของหมอชีวกกษัตริย์แห่งแคว้นมคตพร้อมด้วยบริวารเสด็จไปเฝ้าพระพุทธองค์มีหมอชีวกเป็นมักขุเทศเมื่อเสด็จไปถึงใกล้ที่ประทับของพระบรมศาสดาแล้วแต่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอัมพวันเงียบสงบ ความกลัวความสะดุ้งวาเสียวเกิดขึ้นแก่พระเจ้าอาชาศัตรูเป็นอันมากพระองค์ตรัสกับชีวกว่าชีวกไหนเธอว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่พร้อมด้วยหมู่ภิกษุเป็นจำนวนมากถึง 1,250 รูปครูแต่แต่ทำไมไม่มีเสียงอะไรที่แสดงว่ามีคนอยู่ด้วยกันมากมายถึงปานนั้นเลยชีวกเธอไม่หลอกลวงเราหรือ ขอเดชะขอพระองค์ยาทรงครัวเลยข้าพระองค์มิได้หลอกลวงพระองค์ขอจงเสด็จไปข้างหน้าเถิดมหาราชโน่นประทีปโคมไฟสว่างอยู่ที่ลานโน่นขอพระองค์ทอดพระเนตรเถิดเมื่อพระเจ้าอาชาศัตรูเข้าไปใกล้ทอดพระเนตรเห็นพระพุทธองค์ประทับนั่งในถ้ำกลางภิกษุเป็นจานวนมากทรงรุ่งเรืองเหมือนเดือนในหมู่ดาว กระสัตว์หนุ่มมองเห็นความสงบเรียบร้อยนมิมูสงสงสงมนัดเกิดพิธิปราโมทตรัสว่าขอให้อุภัยพัทราชกุมารจงสงบสงเง่ยมเรียบร้อยเหมือนพระพิสุสงนี้ด้วยเถิด คั้นแล้วพระองค์ได้ทูลถามสามัญญผลคือผลแห่งความเป็นสมณะว่ามีอย่างไรพระผู้มีพระภาคทรงแสดงสามัญญผลสิบข้อโดยใจความดังนี้ 1. ผู้ที่เคยเป็นทาตเมื่อมาบวชแล้วก็พ้นจากความเป็นทาตุสอผู้ที่เคยเป็นกรรมกรถูกบังคับใช้แรงงานเมื่อมาบวชแล้วย่อมพ้นจากภาวะเช่นนั้นส เขาต <un> <k Chili french theory> ั้งตนอยู่ในศีลสัมรวมอินทรีย์ดีแล้วอาจจะบรรลุปฐมฌานสเขาตั้งตนอยู่ในศีลสัมรวมอินทรีย์ดีแล้วอาจจะบรรลุทุติยฌาน 5. เขาตั้งตนอยู่ในศีลสัมรวมอินทรีย์ดีแล้วอาจจะบรรลุตติยฌาน 6. เขาตั้งตนอยู่ในศีลสัมรวมอินทรีย์ดีแล้วอาจจะบรรลุตตุทชาน7 เขาอาจจะได้บรรลุวิปาาัสนาญาณ 8. เขาอาจจะได้บรรลุมนโนมยิทธิ 9. เขาอาจจะได้บรรลุอิทธิวิธี 10. เขาอาจจะได้บรรลุทิพยโสตสิบเเขาอาจจะได้บรรลุเจโตปริยญาณ 12. เขาอาจจะได้บรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณ 13. เขาอาจจะได้บรรลุทิพจักสุ14 เขาอาจจะได้บรรลุอาสวัคยยาณอวุโสในคราวนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแก่พระเจ้าอาชาติสตรูโดยอเนกปริยายเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วพระเจ้าอชาติสตรูแสดงพระองค์ถึงพระราชนตรัยพระพุทธองค์ตรัสกับพระภิกษุทั้งหลายว่าถ้าพระเจ้าอชาติสตรูไม่ทรงกระทำปิตุฆาตคือการปรงพระชนพระราชบิดาแล้ว พระองค์จะพึงสําเร็จเป็นโสดาบันในครั้งนั้นแต่ปิตุฆาตกรรมนั้นได้มาเป็นกําแพงกั้นมรผลเสียแล้วในชาตินี้อวุโสเรื่องที่พระเจ้าอาชาติศัตรูทรงเปรยว่าขอให้อุภัยพัทรราชกุมารพึงมีความสงบเรียบร้อยอยังหมู่สงนี้ก็เป็นเครื่องแสดงว่าความสงบเป็นความงามในมู่สงเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสศรัทธาของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใส ทำความเลื่อมใสศรัทธาให้มั่นคงและเป็นไปโดยยิ่งแก่ผู้เลื่อมใสอยู่แล้ว ข้าแต่ท่านผู้ซืบ อ, อริยวงพระธรรมชาติข้าพเจ้าทราบมาว่าพระพุทธองค์ทรงโปรดความสงบเรียบร้อยและไม่โปรดเสียงเออะตึงตังทรงโปรดเสียงเบาพระองค์ทรงประนามขับไล่ภิกษุที่ทรงเสียงเออะเมื่อมาเฝ้าพระองค์เรื่องมีว่าครั้งหนึ่งพระองค์ประทับอยู่ณป่ามะขามป้อมใกล้ตำบลบ้านชื่อจตุมา มีภิกษุประมาณห้าร้อยรูปเดินทางกับพระสารีบุตรและโมคราณะเมื่อมาถึงแล้วก็ทรงเสียงอื้ออึงพระพุทธองค์ตรัสถามพระอ น, นุ์ว่าอา น, นุนเสียงอะไรเหมือนชาวประมงแย่งปลากันเมื่อพระอนนุ์กราบทูลให้ทรงทราบแล้วจึงรับสั่งให้เรียภิกษุเหล่านั้นเข้าเฝ้าตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลาย ทำไมจึงส่งเสียงดังเหมือนชาวประมงแย่งปลากันพิสษุทั้งหลายทูลว่าข้าพระองค์และพิสษุเจ้าของถิ่นสนธนาปราสัยกันจัดแจงเสนาสนะที่พักและปูลาดอาสนะพระเจ้าข้าดูก่อนพิสุทั้งหลายเราประนามเธอขับไล่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายไม่พึงพักอาศัยอยู่ในที่ใกล้เรา เมื่อพิสุเหล่านั้นได้รับการประนามจากพระพุทธองค์แล้วก็หาได้แสดงความโกรธต่อพระผู้มีพระภาคไม่ท่านเหล่านั้นลุกขึ้นถวายอภิวาตแล้วทำปรททักษินาเวียนขวาที่ประทับของพระพุทธองค์ด้วยอาการเคารพสามครั้งแล้วเก็บเครื่องบริการของตนออกจากที่นั้นไป บังเอิญเวลานั้นชาวจตุมากําลังประชุมกันอยู่ที่สันทาคารได้เห็นภิกษุเหล่านั้นเดินผ่านมาจึงเข้ามาถามเมื่อทราบความแล้วจึงกล่าวว่าขอพระคุณเจ้าทั้งหลายหยุดอยู่ก่อนและขอนิมนั่งคอยสักครู่หนึ่งพวกข้าพเจ้าจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าและทูลขอร้องพระองค์ให้ถอนการประนามเมื่อถึงที่ประทับของพระาศาสดาแล้ว ชาวจตุมาก็กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้ทรงพระภาคขอพระองค์จงทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์เหมือนอย่างที่เคยทรงอนุเคราะห์มาแล้วเถิดภิกษุทั้งหลายเหล่านี้บวชใหม่มาสู่พระธรรมวินัยนี้ยังไม่นานก็มีอยู่เมื่อไม่ได้อนุเคราะห์จากพระองค์ก็จะพึงเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเหมือนพืชอ่อนไม่ได้น้ําลูกโคยังเล็กๆ็ไม่ได้ดื่มนมแม่ ก็จะพึงเปลี่ยนแปลงเสื่อมเสียจากภาวะที่จะพึงได้พึงถึงข้าแต่พระผู้ทรงพระภาคขอพระองค์จงทรงอนุเคราะห์ที่สุเหล่านั้นและถอนการประนามด้วยเถิดพระมหากรุณาซึ่งพระองค์เคยสั่งสมมาเป็นเวลานาน ได้มากระตุ้นพระไทยให้พระองค์ทรงรับเข้ามาและยินยอมให้ภิกษุน์เหล่านั้นเข้าเฝ้าพักอยู่ในที่ใกล้พระองค์แต่พิกษุเหล่านั้นก็ได้บทเรียนพอสมควรแล้วจึงไม่ส่งเสียงเอะอะเหมือนอย่างเคยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเธอมีความเห็นอย่างไรในการที่เราประนามภิกษุสงส์ในครั้งนี้พระเจ้าค่ะ ข้าพระองค์เห็นว่าพระผู้มีพระภาคทรงขลขวายน้อยประกอบตนอยู่ในความสุขปัจจุบันแม้ข้าพระองค์ก็จะพึงขนขวายน้อยประกอบตนอยู่ด้วยความสุขปัจจุบันนั้นสารีบุตรหยุดก่อนอย่าเพิ่งเห็นอย่างนั้นแล้วพระองค์ตรัสถามพระอัคารสาวกเบื้องซ้ายว่าโมคลานะเธอมีความเห็นอย่างไร ้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์มีความคิดเห็นว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคทรงขนขวายน้อยประกอบตนอยู่ในความสุขปัจจุบันข้าพระองค์และจาริกบุตรจักบริหารหมู่สงแทนพระเจ้าข้าสาธุสาธุาธโมคนะาณะเธอพูดชอบแล้วเราหรือสารีบุตรหรือโมคะลาณะเท่านั้นพึงบริหารหมู่สงได้ รันแล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงภัยสีประการสำหรับภิกษุคือ 1. กุ่บุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชกระพืดตนเป็นคนไม่มีเรือนด้วยคิดว่าเราถูกความเกิดแก่เจ็บและตายครอบงำแล้วถูกความแห้งใจความกร่ำควรวญพิไรรำพันความทุกข์กายทุกข์ใจความคับแค้นใจ เบียดเบียนยังลุงสู่ทุกข์มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าทําอย่างไรหนอจึงจะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้กุลบุตรนั้นเมื่อบวชแล้วถูกเพื่อนสมณะด้วยการตักเตือนแนะนําส่องสอนอยู่หนเนือ ง, งว่าพึงก้าวไปอย่างนี้พึงถอยกลับอย่างนี้พึงเหยียดอย่างนี้พึงทรงบาตรและจีวร อ, อย่างนี้กุลบุตรนั้นคิดว่าตัวเรา เมื่อยังเป็นคฤรุหัดก็สั่งสอนโอวาทคนอื่นอยู่พระพวกนี้เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานมาสอนเราควรที่เราจะสอนเขามากกว่าคิดอย่างนี้แล้วก็ทนอยู่ในาศาสนาไม่ได้ต้องบอกคืนศิกขาดูกรภิกษุทั้งหลายภัยข้อนี้เราอุปมาเหมือนคลื่นภิกษุทั้งหลายคําว่าภัยคือคลื่นนี้เรากล่าวหมายถึงความโกรธและความคับแขน พ ท, ทนต่อความสั่งสอนไม่ได้สองภิกษุทั้งหลายกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธากุลบุตรนั้นเมื่อบวชแล้วถูกเพื่อนพรหมจรีตักเตือนสั่งสอนอยู่หนือ ง, งว่าสิ่งนี้ไม่พึงเคี้ยวสิ่งนี้พึงเขี้ยวสิ่งนี้บริโภคพึงบริโภคในการไม่พึงบริโภคในเวลาวิการเป็นต้นกุลบุตรนั้นคิดว่าเมื่อเป็นครือัด ปรารถนาจะดื่มจะบริโภคสิ่งใดในเวลาใดย่อมได้ตามปรารถนาทั้งสิ้นแต่เดี๋ยวนี้เหมือนปิดปากไม่ได้บริโภคอะไรเธอคิดอย่างนี้แล้วก็บอกคืนสิทขาดํารงตนเป็นคฤหอขัอดภิกษุทั้งหลายภัยนี้เราเปรียบเหมือนภัยที่เกิดจากจระเข้เพราะเธอเป็นคนเห็นแก่ป่ากแก่ท้อง 3. าภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกบวชครั้นบวชแล้วในเวลาเช้าเข้าไปสู่บ้านเรือนหรือนิคมเพื่อบินทบาตไม่คุ้มครองรักษากายวาจาด้วยดีไม่ตั้งสติไว้ให้มัน่นไม่สำรวมอินทรีย์เธอเห็นขหาบุบดีหรือบุตรของคหาบุดีพูดเต็มเปี่ยมพรั่งพร้อมด้วยการมกุฎห้าเธอคิดว่า เ, เราเป็นคฤหัดก็เพียบพร้อมด้วยกามคุณห้าอยู่ทรัพ ส, สมบัติในตระกูลของเราก็มีอยู่เราสามารถบริโภคและทำบุญทั้งหลายได้คิดดังนี้แล้วก็บอกคืนศิกขาภิกษุทั้งหลายภัยนี้เราเปรียบด้วยภัยที่เกิดจากน้ำบนคำนี้เป็นชื่อของการเมคุณห 4. ภิกษุทั้งหลายกุลบุตรบางคนในโลกนี้ มีศรัทธาออกบวชครั้นบวชแล้วตอนเช้าเข้ามาสู่บ้านหรือนิคมเพื่อบินทบาตไม่ได้คุ้มครองรักษากายวาจาให้ดีไม่ได้ตั้งสติไว้ให้มันไม่สำรวมอินทรีย์เธอได้เห็นมาตุคามแล้วเกิดความพอใจเพราะความพอใจนั้นจึงบอกคืนสิขาลาพรหมจรรย์ภิกษุทั้งหลายภัยนี้เราเปรียบเหมือนภัยที่เกิดจากปลาลาย ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภัยสีประการนี้แหลอันผู้บวชประพฤติพรหมจรรย์นในธรรมวิไนนี้พึงประสบข้าแต่ท่านผู้เจริญเมื่อพระพุทธองค์ตรัสจบลงภิกษุทั้งหลายต่างชื่นชมยินดีพอใจในพระพุทธภาสิทธ์เป็นยิ่งนักพระธรรมชาติกล่าวในตอนท้ายอาุโส เรื่องทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างในทางสงบที่พระพุทธองค์ทรงแสดงชี้แนวทางไว้แก่ภิกษุสงฆ์สาวกของพระองค์ที่พระองค์ทรงประนามภิกษุเหล่านั้นก็เพียงสอนให้รู้สึกตัวเท่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องใจไม้ไส้ระากามอะไรการสอนนั้นบางทีก็ต้องใช้วิธีรุนแรงบางครั้งก็ใช้วิธีเพียงเบาๆเหมือนช่างเหล็กจะดัดเหล็กจะใส่ไฟแรงหรือไฟน้อยก็แล้วแต่เล็ก แต่จุดประสงค์ก็เหมือนกันคือดัดเหล็กให้ใช้ประโยชน์ได้ตามประเภทเครื่องใช้นั้นๆข้าแต่ท่านสารชาติท่านยังเล่าเรื่องที่พระสังฆเถระในอาวะาชนบทแห่งหนึ่งนัดประชุมสงฆ์ค้างอยู่ ข้าพเจ้านำท่านคุยเรื่องอื่นๆแทรกสื่นานขอท่านได้โปรดเล่าเรื่องนั้นต่อไปเถิดข้าพเจ้าเองก็สนทนาเรื่องใหม่เพลินไปจนเกือบลืมเรื่องเก่าเสียแล้วข้าพเจ้าจะเล่าเรื่องนั้นต่อไปพระเถระได้แจ้งให้สงฆ์ฟังว่าบ่ายวันนี้มีอุบาสกผู้หนึ่งมาหาท่านและกล่าวโทษพิสุรูปหนึ่งว่า กระพืตนไม่สมควรแก่ความเป็นสมณะซึ่งต้องอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพเรื่องก็มีเพียงว่าอุบาสกมีงานอาวหะวิวาหะมงคลแต่งงานลูกหญิงได้อาราธนาพิษุไปประกอบพิธีทงางศาสนาด้วยหลายรูปพร้อมทั้งอาราธนารับพัตตาหารที่บ้านของอุบาสกนั้นด้วยภิกษุรูปนี้มิได้รับนิมนต์ของอุบาสก และขอร้องให้เขาไปอาราธนาพิสุรูปอื่นตามแต่จะเห็นสมควรอุบาสกจึงโกรธด่ดาว่าเธอว่าเป็นผู้มีมายาสาไถแต่ภิกสุรูปนั้นม่ได้กล่าวโตอตอบแต่ประการใดเลยเธอคงสงบเสงี่ยมเรียบร้อยอยู่ตามปกติดูก่อนท่านผู้เิรทุกข์ทั้งหลายท่านเจ้าอาวาสกล่าวในที่สุดการที่ท่านสุ ม, ม น, นะณะไม่รับนิมนต์นั้น ทางศาสนาไม่ถือเป็นเรื่องเสียหายอะไรไม่ผิดพระพุทธบัญญัติไม่ผิดธรรมแห่งบัณฑิตท่านมิได้เลือกที่รักผลักที่ชังการกระทำของท่านมิได้เกิดจากอคติข้อใดข้อนหนึ่งเลยตรงกันข้ามในสมัยเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ทรงประธานสาธุ ก, การอนุโมทนาแด่ภิกษุผู้ประพฤติอย่างนี้อยู่เสมออย่างเช่นพระมาหากัสสปะมหาเถระ และพระนิคมวสีติสะเป็นต้นท่านรูปแรกคือท่านพระมหกะสปะนั้นมีความสันโดษและประพฤติตนขัดเราอย่างยิ่งถือการบินธบาตเป็นวัดไม่เคยรับนิมนต์ของใครเลยถือการคลองผ้าบางสุกุลเป็นวัดไม่เคยรับจีวรที่เขาถวายเลยถือการอยู่ป่าเป็นอรญญวาสีเสมอไม่ยอมอยู่ในอาวาสที่คับข้างอยู่ด้วยผู้คน ในบ้านในเมืองพระศาสดาคเคยอ้อนวอนให้ท่านรับนิมนต์สิบ้างรับจีวรที่เขาถวายสิบ้างอยู่ในอาวาตที่อยู่ในละแวกบ้านสิบ้างเพราะแก่แล้วจะลำบากพระมหากรสปะไม่ยอมทำเลยทูลพระผู้มีพระภาคว่าที่กระทาอย่างนั้นเพื่อความสุขสบายเบากายเบาใจและเพื่อเป็นตัวอย่างทางขัดเกลาแก่กุลบุตรผู้บวชในรุ่นหลัง คุณสมบัติของท่านดังกล่าวนี้พระบรมศาสดาทรงยกย่องมากจนถึงกลับยอมเปลี่ยนผ้าสังขติกันให้ได้ซึ่งมีพระมหาเถรละองเดียวในศาสนานี้ที่ได้รับเกียรติอันสูงในทางนี้จากพระบรมศาสดานอกจากนี้ยังยกย่องว่าพระมหากรส ป, ปะมีอภิญยาและสมาบัติเสมอด้วยพระองค์ดังพุทธภาษิตดังนี้ ดูก่อนภิกษุ์ทั้งหลายเราเมื่อมีความประสงค์อยู่สามารถเข้าชาญนที่หนึ่งถึงที่8ตลอดถึงอภิน ญ, ญาหกมีอิทธิวิธีเป็นต้นมีอาสวัคยายานเป็นประโยสารได้อย่างไรแม้กระสปะก็สามารถอย่างนั้นดูก่อนอุทายสาวกของเราถือผ้าบางสุกุลสงจีวรเศ้าหมองเธอเหล่านั้น เก็บผสมผ้าชายขาดจากป่าช้าบ้างจากกองขยะบ้างจากที่เขาทิ้งตามตลาดบ้างเอามาทำเป็นสังคาติอุทอายส่วนเราเองบางคราวก็ครองจีวรที่ขลหบดีถวายมีเนื้อนิ่มละเอียดอุทายิสาวกของเราบางรูปถือบิณฑบาตเป็นวัดยินดีแต่ในพัดอันมีอยู่เพื่อพิกษจตามธรรมดา แม้มีผู้เชื้อเชิญด้วยอาสนะก็ไม่ยินดีรับอุทายิส่วนเราเองบางคราวฉันเข้าสุขแข่งข้าวสัตว์ส่วนท่านติสะผู้อยู่ในนิคมนั้นไม่เคยรับนิมนต์ใครเลยเหมือนกันแม้นางวิสาขามหาอุบาสิกาและท่านอนาทบินทิกะถวายมหาฐานแกพิสุสงฆ์เป็นจำนวนมากอยู่ท่านก็ไม่เคยไปเลยเมื่อคราวพระเจ้าประสิทธิโกศล ทวายอสัถิสถานซึ่งเป็นฐานที่โมโหรานที่สุดในกรุงสาวัตถีท่านติสก็ไม่ยอมไปท่านรับอาหารบิณฑบาตในหมู่ญาติแล้วก็กลับและฉันเท่าที่ยังอัตภาพให้เป็นไปได้เพื่ออนุเคราะห์พรมจ ร, รเท่านั้นภิกษุทั้งหลายนำเรื่องฟ้องพระผู้มีพระภาคว่าพระติสกุกคลีแต่กับพวกญาติไม่เคยรับนิ ม, มนต์ของใครเลย พระศาสดาให้เรียกพระติสสะมาเมื่อถามได้ความว่าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วจึงถามหาเหตุผลว่าติสสะทําไมเธอจึงทําอย่างนั้นข้าแต่พระผู้ทรงพระภาคข้าพระองค์คิดว่าข้าพระองค์ได้อาศัยหมู่ญาติเหล่านั้นได้อาหารพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่เคยเลือกว่าจะเลวหรือประณีตเมื่อได้อาหารจากหมู่ญาต พอยังอัตภาพให้เป็นไปแล้วจะประโยชน์อะไรด้วยการสแสวงหาอาหารในที่อื่นอีกแต่ข้าพระองค์มิได้คลุกคลีด้วยหมู่ญาติเลยพระเจ้าค่าความจริงตามปกติพระพุทธองค์ทราบอัธยาศัยของพระติสระอยู่แล้วแต่ที่ตรถามก็เพื่อให้ภิกษุทั้งหลายได้ทราบว่าที่พระติสระทำอย่างนั้นก็เพราะความสันโดษมีความปราถนาน้อย มิใช่เพราะยิงธนงตนหรืออื่นๆพระาศาสดาทรงประทานสาธุการอนุโมทนาในปฏิปทาของพระติสะตรัสว่าดีแล้วดีแล้วติสะความเป็นผู้ปราถนาน้อยเป็นแบบแผนเป็นวงของเรา ท่านพูดจเจริญทั้งหลายภิกษุจเจ้าอาวาสพูดต่อแม้ภิกษุผู้รับนิมนต์เพื่อไปฉันในบ้านก็มีถือเป็นเรื่องเสียหายขอแต่ให้มีจิตเมตตาคิดว่าไปเพื่ออนุเคราะห์เขาระวังจิตมิให้อิงอาศัยลาบสการะแล้วดูถูกเยียดยามภิกษุอื่นผู้มีลาบน้อยมีสการะน้อยถ้าจิตประวัติไปเพื่อลาบสการะอย่าไปเสียดีกว่า เพราะนั่นเป็นไปเพื่อโทษและทุกแก่ท่านทั้งหลายเป็นขั้นแรกแห่งการยอมตนกระทําสิ่งอันไม่ควรแก่สมณะยอมขายความงามแห่งพระศัทธธรรมกับลาบเพียงเล็กน้อยยอมตกลงเป็นเบี้ยล่างของคฤือหั์ผู้ยังไม่เข้าใจาศาสนาภิกษุผู้ไม่กังวลห่วงใยในลาบยศและความนับถือยอมเป็นภิกษุที่ดีได้เสมอแต่ภิกษุผู้หนักในลาบ เป็นลาบคลุนั้นอาจจะแสดงอธรรมว่าเป็นธรรมเพียงเพื่อเอาใจคนแล้วได้ลาบสการะเพราะเหตุแห่งความชอบใจของคนเขาย่อมค่อยๆทำลายพระสัทธรรมไปทีละน้อยแล้วนำเอาธรรมะปลอมเข้ามาปิดบังเหมือนใบบัวขึ้นหนาแน่นปกปิดดอกบัวอันงามให้เหี่ยวเฉาและเน่าเปื่อยไปในที่สุด ส่วนภิกษุสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หนักในธรรมเคารพต่อหลักการแห่งพระศาสนาของพระพุทธองค์ย่อมแสดงธรรมว่าเป็นธรรมแสดงอธรรมว่าเป็นอธรรมไม่มีเจตนาหลอกลวงประชาชนให้เข้าใจผิดแล้วมาหลงบูชาตนเพื่อเหตุแห่งลาบสการะแม้ลาบสการะจะเกิดขึ้นบ้างเธอก็ไม่ยินดีสยบอยู่ในลาบนั้นคิดนาย คิดคลายอยู่เสมอท่านทั้งหลายดอกบัวเกิดในตมแต่ชูดอกขึ้นจากเปลือกตมไม่จมอยู่ในเปลือกตมนั้นฉันใดสาวกของพระพุทธองค์ก็ฉันนั้นไม่ติดอยู่ในเปลือกตมคือลาบสการะเธอปฏิบัติตนเป็นผู้ซื่อตรงไม่คดงอเรื่องการเข้าสู่ละแวกบ้านเพื่อคบฉันนั้นภิกษุรูปใดสมัครใจก็พึงไป และพึงตั้งใจอนุเคราะห์เขาโดยธรรมอย่ากระทากิจนอกธรรมนอกสัตธุศาสเพียงเพื่อลาภผลเล็กน้อยภิกษุรูปใดไม่สมัครใจก็ไม่พึงไปถือว่าเป็นความชอบธรรมทั้งสองประการข้าพเจ้าขอประกาศให้สงทราบทั่วกันและขอกล่าวในที่นี้ว่าท่านสุม น, นะเป็นบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้อันพรหมจรีสหธรรมิกพึงคบค้าสมาคม และเอาเยี่ยงอย่างดำเนินตามเมื่อพระสังคเทระกล่าวจบแล้วและทุกรูปเงียบอยู่ไม่มีภิกษุรูปใดพูดอะไรท่านก็ลุกจากอาสนะกลับสู่ที่อยู่ของท่านพระภิกษุสงฆ์ที่ประชุมกันอยู่ทั้งหมดต่างแยกย้ายไปสู่ที่อยู่แห่งตน